บุกทูห้าสิบแปดอรมุตสตทวราเมติอุตวติอวยาวะสเลิสนาทิลบีเคลิสนาซิเลบีผมวาดรูปผู้ชาย กัตกัต เ, เ, เริ่มจากศีสะกอนจรทอฟส์จทส์ผู้ชายสวมหมวกกัคูดิอรสกัคูดิอร ส, อรสมองไม่เห็นเส้นผม ธมอาร์ชนส์มอาร์ชนส์มองไม่เห็นหูด้วยอาร์ูเรบิชนส์อาร์ตคูเรบิชนส์มองไม่เห็นหลังด้วยสุรกิตส์อาร์ชนส์รกิต์อาร์ชนส์ผมกำลังวาดตาและปาก ทวัเล็บสตาปิรสวชัดทตาปสวผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ კაცი ჩეკვაფს და იტსინის კ ა ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว კაც კრედელი ცხვერი ა კ ვ a zeri เขากําลังถือไม้เท้าในมือของเขา Mas khelshi j h o h i u c i r a v s Mas khelshi j h o h i uchiravs เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย Mas asew khelze kashne uketia Mas ซบ์ e ลิ้ียมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นซทาริยา a ซัทายาดาทแขนแข็งแรง k h ิบซลีเอริยซล i เขาก็แข็งแรงด้วย เพ็บิตซ์ลิเร์ย p เพ h e บิตซลิเรียผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะกัต <gates>. ซีทวลิสกันอาริสกาเอเทบูลีคัตซีทวลิสกันอาริสกาเอเทบูลีเขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมมัสชาร์วาลี แมสชาลตปตอาอแต่เขาก็ไม่หนาวสันนวส่นมักรมกาซิอาร์อีกิน a มักรมกาซิอาร์อีกินเขาคือตุ๊กตาหิมะอิสทฟลิสบาบูอาอิสทฟลิส บาบูอา